จึงไม่ตรงกับเปรตตามที่เข้าใจกันเพราะหมายถึงคนที่ตายไปแล้วทั่วๆไปและบุรพาบิดรคือญาตริร่วมสายโล uh หิตชั้นผู้ใหญ่ที่ตายไปก่อนแล้วคํานี้ในชั้นเดิมก็น่าจะใช้ความหมายเป็นกลางๆทั่วๆไปอย่างนั้นและมาจะใช้ในเรื่องการทําบุญอุทิศให้ผู้ตายไปแล้วคือเราถึงผู้ตายไปแล้วว่าเปรตในพระสูตรหนึ่งได้กล่าวไว้โดยความว่าเปรตชนคือคนที่ตายไปแล้วไม่อาจจะรับส่วนบุญส่ได้ทุกคน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 ก็เลยเปลี่ยนความหมายว่าตายไปเป็นเปรตกลายเป็นภูมิชั้นอีชนิดหนึ่งของอบายหรือทุกติเรียกว่าปิติวิสยะแปลกันว่าวิสัยคือแดนหรือทิงฐานของเปรตแต่คําว่าปิติน่าจะแปลว่าของบิดาหรือปิตรุในภาษาสันสกฤตมีคําเทียบในภาษาบาลีคือเปติกะแปลว่าของบิดาคํานี้ก็มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากวงญาติจนหมายถึงเปรตทั่วๆไป ในเรื่องพระเจ้าพิมิสารแห่งมกทรัตทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่เปรตที่เคยเป็นญาติแต่ก่อนนั้นพระอาจารย์น่แสดงรูปลักษณะของเปรตที่มายืนรับส่วนบุญที่ภายนอกฝาตำหนักเป็นต้นว่าเปรตเหล่านั้นสวยผลของความริษยาและความตรนีบางพวกมีหนวดผมยาวมีหน้าดำบางพวกมีเส้นเอ็นหย่อนมีอวัยวะใหญ่น้อยห้อยย้อยผอมโซหยาบและดำ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 ล้วนมีรูปร่างพิกลน่าเกลียดน่ากลัวในที่อื่นได้กล่าวถึงเปรตมีรูปร่างวิปริตต่างๆนะรับทุกทรมานอาการต่างๆกันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรสได้ทรงประมวลชนิดเปรตไว้สีชนิดในหนังสือธรรมวิจารณ์คือ 1. รูปร่างไม่สมประกอบสู้ผอมอดโซดังกล่าวแล้ว 2. ร่างกายพิการเช่นร่างกายเป็นอย่างของมนุษย์ แต่ศีรษะเป็นอย่างของสัตว์ดิรัจานเช่นเป็นกาบ้างเป็นสุกรบ้างเป็นงูบ้าง 3. รูปร่างพิกนสวยกรรมกรอยู่ตามลาพังด้วยอํานาจบาปกรรม 4. รูปร่างอย่างลดปกติแม้เป็นผู้สวยก็มีมีวิมานอยู่แต่ในราตีต้องออกวิมานไปสวยกรรมกรกว่าจะรุ่งเรียกว่าเวมานิกาเปตเรื่องเปิดเหล่านี้มักเล่าวิยายถึงคนทําบาป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 ก็กลายเป็นไฟขึ้นและกล่าวว่าเปรดทั้งหมดมี36ชนิดแบ่งเป็นหมู่ๆคือเป็นเปรตต่างศาสนาที่น่าสยดสยองเป็นเปรดพุทธศาสนิกที่น่าสยดสยองเป็นเปรดที่กินดื่มน่าสยดสยองเพราะสิ่งที่กินดื่มเข้าไปกลายเป็นอาวุธ ต, ต่างๆเป็นเปรดที่ไม่ถูกจํากัดที่อยู่เที่ยวไปได้ในโลกมนุษย์หรืออีกหมูหนึ่งน่าจะเป็นเปรดที่ถูกจํากัดที่อยู่จึงรวมเป็นห้าหมู่นั้นกล่าวในหนังสือนั้น เปรตเหล่านี้มีสารกชนิดหรือตามนักธิลามะในหนังสือนั้นคือ 1. มีร่างกายแบนคือแบนอย่างใบไม้นอนหงายได้อย่างเดียวมีคำเรียกการนอนแบบนี้ว่าเปรตสายยา 2. มีปากเล็กเข้าเข็มมีลำคอเล็กแต่ท้องโตเพราะมือมีชีวิตอยู่อยากแต่จะกินอย่างเดียว 3. กินสิ่งที่อา จ, จินออกมาของผู้อื่น 4. กินอุจจาระปัสสาวะเปรตพวกนี้เห็น วัชพุติหรือซุวมเป็นที่ปรุงอาหารที่ดีที่สุดหรือผีกระสิีกระมัง 5. กินหมอกเพราะเห็นหมอกปรากฏดูดอาหาร 6. เลี้ยงตูด้วยน้ําที่เขาให้ 7. มองเห็นยากเพราะมีรูปละเอียด 8. เลี้ยงตูด้วยเขระที่ผู้อื่นถมทิ้งไว้หรือผีกระโถนกระมัง 9. ก, กินผมขนเพราะเห็นอยู่แต่เฉพาะผมขนเท่านั้นสิดูดเลือดของผู้อื่นสิบเอ็ด เลี้ยงตัด้วยความคิดอันเป็นบาปอันชั่วร้ายของผู้อื่นเพราะเป็นความคิดที่อยู่ในระดับเดียวกันกับของตน12กินเนื้อของตนเอง13เลี้ยงตูด้วยก้อนทุกที่เขาบูชา14ทําความค่ให้เจ็บคือเป็นเหตุให้เกิดความค่ให้เจ็บสิ้าซ้อสายก็จะรู้เห็นความนับที่เขาปกปิดเช่นเดียวกับพวกจารบุรุษหรือผีนักสืบประมัง 16. หลบซ่อนอยู่ตามแผ่นดินไม่กล้าแสดงตัวในที่ประชุมชนสิเจ็ด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 กินสิ่งเป็นพิษส2อาศัยอยู่ในทะเลทรายสาสาเลี้ยงตัวอยู่ในเปลวไฟลับที่มีอยู่ในที่ต่างๆส4อาศัยอยู่บนต้นไม้สาอาศัยอยู่ตามข้างถนนส6มฆ่าผู้อื่นเพื่อเข้าสิงอยู่ในร่างกายเขาแทนเรขาหชนิดตามที่แบ่งไวน้นี้ดูคล้ายเที่ยวเก็บอมนุษย์หรือผีที่กล่าวถึงในที่ต่างๆมารวมไว้เท่านั้นไม่ใช่จัดตามหลักเกณฑ์ ที่จะทำให้ได้ความเข้าใจและมองเห็นว่าประมวลเอาไว้ทั้งหมดแต่ก็หลายจำพวกที่ตรงกับคติในคำพีทางฝ่ายใต้หรือหินนยานเช่นชนิดที่22ว่าผู้ถือตาบองของยมราชเป็นเปรตชนิดหนึ่งในอัตถกถาภาระปนิตสูพระอาจารย์กล่าวว่าองค์ยมราชเองซึ่งเป็นเจ้าแห่งนรกเป็นเปรตชนิดหนึ่งเรียกว่าเวมานิกเปรตแปลว่าเปรตมีวิมานอยู่ฉะนั้น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 รู้ชายอดอยากหนักหนาเห็นข้าวน้ําหยิบมาเป็นก้อนอาจมเป็นเลือดเป็นหนองเห็นผ้าอหมห่มก็กลายเป็นแผนเหล็กแดงไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่ออยู่เป็นคนขึ้นเคียดดาทอสามีหรือภรรยาผู้บริจาคทานให้ไปกินข้าวน้ําก็กลายเป็นอาจมเลือดหนองให้ชายผ้าผ่อนที่กลายเป็นเหล็กแดงจําพวกหนึ่งต้นใหญ่สูงเพียงลําตาลผมหยากตัวเหม็นอดอยากไม่มีข้าวสักเมล็ด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 ก็กลายเป็นอาจมเน่าเป็นนอนเหม็นเพราะเหตุที่เมื่อกำเนิดก่อนได้ะสะบดให้เป็นดังนั้นเพื่อพรางว่าไม่มีข้าน้ําที่จะ บ, บริจาคจำพวกหนึ่งเป็นหญิงมีเล็บมือใหญ่ยาวและคมดังมีดคมกริบขูดเนื้อหนังของตนเองกินเพราะลักเนื้อของผู้อื่นแล้วปฏิเสธโดยสะบดให้ไปเป็นอย่างนั้นจันพวกหนึ่งกลางวันถูกยิงแทงตีดามีสุนัขใหญ่ไลค่คบกัดกินเนื้อกลางคืนเป็นเทพ ย, ายดาเสวยที่ะยศสมบัติเพราะเมื่อกำเนิดก่อน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 เพราะมื้อกำเนิดก่อนให้ของเด่นของเสียแก่พระสงฆ์ผู้มีศีลจำพวกหนึ่งกินน้ำหนองและซาสุนักเน่าเพราะเหตุที่เมื่อชาติก่อนนำเนื้อต้องข้ามมาอัมพรางให้พระสงฆ์ฉันจำพวกหนึ่งเปลวไฟพุ่งออกแต่อกลิ้นปากลามไหมทั้งตัวเพราะเมื่อชาติก่อนได้ด่าศบประมาทกล่าวมุสาวาดพระต่อพระสงฆ์และพูดเท่าผู้แก่ผู้มีศีลจำพวกหนึ่งอยากน้ำดังใจจะขาดเห็นน้ำใสอมือก่อดมากิน นาพวกกลายเป็นไฟไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่อชาติก่อนคมเหลงคนเข็นใจไม่มีกรุณาปราณีเห็นของท่านก็ใคร่จะได้เห็นศีลท่านก็ใคร่จะบิดบังเอาใส่ความผิดท่านจำพวกหนึ่งมีตัวเปื่อยเนา่าพร้อมหลังขดมือเนา่าเท้าเปือ่อยเอาไฟมาครอกตัวเองกลิ่งอยู่ดังขอนไม้เพราะเมื่อชาติก่อนครอบเผาป่าหรือทําลายไม้ทําลายสัตว์ป่าจำพวกหนึ่ง มีตนใหญ่ท่าภูเขามีเส้นขนรียาวเสียแปลมเล็บปีนเล็บมือใหญ่คมกริดดังมีดห อ, อกดาบเล็บและขนกระทบกันดังลั่นลุกเป็นไฟไหม้ทั้งตัวบาดตัวดังขวานฟ้าผ่าเพราะมือชาติก่อนเป็นนายมืองแต่งความมิชอบทำเห็นแก่สินจ้าไม่เป็นกลางที่ชอบว่าผิดที่ผิดว่าชอบเปรตจงพตงูต่างๆไนไตรภูมิพระร่วงดูรชื่อัมพีที่คนมาเรียบเรียงก็เห็นได้ว่าเก็บจากัมพีสายเถรวาธ หรือพระพุทธศาสนานิกายสายใต้แสดงลักษณะท ร, รมานต่างๆและแสดงกรรมที่กระทําในชาติก่อนด้วยแต่ของบางจําพวกดูก็ไม่ค่อยเหมาะสมพระอาจารย์น่าจะเก็บเปรตมาจากที่ต่างๆและแสดงกรรมกํากับไว้แต่ก็มีลักษณะรรเป็นเปรตมากกว่าเปรตทางสายทิเบตทพราะทางสายนิกายสายใต้นี้มีลักษณะตรงกันอยู่อย่างหนึ่งว่าทนทุกท ร, รมานด้วยตนเองตนเองเป็นผู้หิวกระหายถูกไฟไหม้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 พระพุทธเจ้าได้ทรงคืนปิ่งคาราให้แกน า, นางนางได้ถึงสรณะสามและสมาทานสีลห้าเรื่องนี้อ้างว่ามีในรัตนกูตสูตรและทางรัิลามะได้กล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสัญญาว่าในอนาคตภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมดจะให้ข่าประจําวันกํามือหนึ่งมือหนึ่งแกนางทั้งสองเรื่องนี้เล่าแทรกเข้ามาเพื่อหเห็นเป็นเรื่องแปลกหูเรื่องแรกก็พอเป็นเรื่องเปลี่ยนได้ส่วนเรื่องหลัง เป็นเรื่องยสัสนีมากกว่าแต่วิธีช่วยในเรื่องที่หนึ่งและตามที่รนพิลามะเพิ่มเติมไว้ท้ายเรื่องที่สองก็มีเขาเป็นวิธีทักษิณาแต่ก็ไม่ตรงกับวิธีบําเพ็ญทักษิณาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยพรรษาที่สองที่สาโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริญายกได้ใหม่ในตอนต่อไป